ที่สถาบันประสาทวิทยาใกล้ๆกับโรงพยาบาลรา ม, มาเนี่ยเวลาผู้ป่วยนะไปหาหมอไปรับการดูแลรักษาโดยพ่อผู้ป่วยนอกเนี่ยก็จะเจอจิตอาสากลุ่มหนึ่งนะที่คอยช่วยอำนวยความสะดวก เรียกว่าอาสาอำนวยความสะดวกนะแนะนำผู้ป่วยโดยพผู้ป่วยใหม่เนี่ยว่าจะต้องไปที่ช่องไหนจะไปยื่นเอกาสารอะไรทั้งบริเวณผู้ป่วยนอกทั้งบริเวณที่เป็นจุดที่ผู้ป่วยต้องไปทำการตรวจเช่นตรวจวัดความดันหรือว่าไปหาหมอ ที่นัดเอาไว้กิจอาสานี่ก็มีทั้งผู้สูงวนะัยนะเกษียณแล้วหรือว่าเออร์ลี่นะแล้วก็ยังมีวัยรุ่นนะโดยเพราะาสาวสาวหลายคนก็ยังเรียนหนังสืออยู่นะอยู่ชั้นมัธยม มีจิตอาสาคนหนึ่งนะชื่ออิมนะพึ่งเรียนชั้นหมอหกเนะจ้าตัวเนี่ยนะอยู่ทั้งอุบล น, นะแล้วก็เรียนที่อุบลด้วยแต่ว่าอุตส่ามาเป็นจิตอาสานะชื่อที่สถาบันภาษาวิทยา เ, ยเป็นเดือนเลยเมื่อเธอเล่าว่าเนี่ย ก่อนหน้าเนี้ยแม่ป่วยต้องมาต้องเดินทางจากอุบลเข้ากรุงเทพเพื่อมาหาหมอที่สถาบันภาษาวิทยาเธอก็ติดตามแม่มาด้วยนั่งรถทัวร์มาด้วยกันตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้สึกเครียดนะเพราะว่า คนก็เยอะลำดับขั้นตอนเป็นยังไงก็ไม่ค่อยรู้พราะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลหรือฉพาะในกรุงเทพนะแต่เธอบอกว่าเนี่ยมีคุณป้าจิตอาสาหลายคนเลยนะมาคอยช่วยแนะนำว่าจะต้องเข้าช่องนี้จะต้องไปยื่นเอกสารที่ตรงนั้นพอถึงคิวเนี่ยก็คอยบอก ตอนที่ไม่ถึงคิวก็คอยดูคอยบอกเมื่อถึงคิวว่ามันช่วยทำให้เธอกับแม่นี่คลายความเครียดไปได้เยอะเลยนึกภาพนะคนจากต่างจังหวัดเนี่ยมามากรุงเทพเนีมาเจอโรงพยาบาลใหญ่ๆคนเป็นร้อยไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างไอ้โรคเดิมนี่ก็ ทำให้เครียดอยู่แล้วนะเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยในโรงพยาบาลก็ยิ่งเครียดหนักขึ้นแต่พอมีจิตอาสามาช่วยเนี่ยโยมันทำให้หายเคร้งค้างทำให้คลายความเครียดแล้วเธอก็เลยเกิดสนใจขึ้นมาเนะี่ยอยาเป็นจิตอาสาบ้าง ส่วนหนึ่งก็คงว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณด้วยนะตอบแทนบุญคุณที่มีเคยมีจิตอาสามาช่วยแม่ช่วยเราอันนี้พอว่างนะจากการเรียนเนี่ยปิดเทอมเธอก็เลยขอมาเป็นจิตอาสาบ้างจิตอาสาที่ลงไปาบาลปัษาวิทยานี่มันไม่ใช่ว่าจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะ เขาก็มีเงื่อนไขไว้เนี่ยต้องมาทำเนี่ยต่อเนื่องอย่างน้อยสี่ครั้งเธอก็ทำครบทั้งสี่ครั้งนะแล้วก็ติดใจนะขอมาอีกนะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วเธอก็ขอครูมาขอหยุดขอหยุดเพิ่มนะขอไปโรงเรียนช้าหน่อยนะเพื่ออะไรนะเพื่อจะมาเป็นจิตนาสา สองครั้งนะก่อนที่จะเปิดเทอมเธอบอกว่าเนี่ยเป็นจิตอาสาเนี่ยมันประทับใจมากเลยเธอเป็นคนอายขี้อายไม่กล้าถามแต่พอเป็นจิตอาสาที่คอยมีความสะดวกเห็นผู้ป่วยหรือญาติเนี่ยเก๊กๆก๊กังๆันเธอก็ตัดสินใจนะรวบรวมความกล้าไปถามว่า ตอนนี้นะนัดหมอไว้หรือยังมีเอกสารไหมแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทําเสร็จก็เกิดความภาคภูมิใจมีความสุขนะพอมีความสุขก็เลยติดใจนะอยากจะมาทําอีกที่จริงเกณฑ์อาษาที่โรงธธพยาภาษาวิทยานี้ก็เหนื่อยนะเพราะว่าต้องทํานี่จะเรียกว่าเกือบทั้งวันเลยก็ว่าได้ แล้วก็คนนี่ก็นานาช น, นิดผู้ป่วยเนี่ยหลายคนนี่ก็เป็นโรคจิตโรคประสาทอยู่แล้วนะบทีก็งุนงิดง่ายนะบางทีก็ใช้อารมณ์กับจิตอาสาโือเพราะเด็กๆ เ, เนี่ยวัยรุ่นเนี่ยแ้แต่หลายคนนะเขาก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะเขาเข้าใจเข้าใจผู้ป่วยแล้วก็ถือว่าดีด้วยนะ ฝึกความอดกลั้นอดทนบางทีผู้ใหญ่ที่เป็นจิตอาสานี่ที่เป็นคุณป้าเนี่ยคุณน้านยังอดทนไม่เท่าเด็กวัยรุ่นนะทั้งๆ ท, งที่ธรรมชาติของเด็กนี่ก็มักจะใจร้อนนี่แต่ว่าพอไปเป็นจิตอาสานี่เขาบอกก็ได้ฝึกตนนะได้ฝึกตนแล้วก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนด้วย แต่ว่าฝึกแล้วเนี่ยมีความสุขนะก็มีวัยรุ่นหลายคนนะไม่ได้มาแบบอิ่มนะอิ่มนี่เขามาเองเพราะว่าประทับใจนะจากพี่พี่จิตอาสาป้าปาาจิตอาสาที่มาเคยมาช่วยอำนวยความสะ่วให้กับเธอแลวแม่แต่ก็มีวัยรุ่นหลายคนนะัเป็นนักเรียนมาเพราะว่ามาโรงเรียน กำหนดให้ว่าทุกคนนี้ต้องทำชั่วโมงจิตอาสาเด็กวัยรุ่นหลายคนนี่ก็ต้องไปหานะว่าที่ไหนที่จ ะ, ะให้ตัวเองได้เป็นจิตอาสาจะได้ทำให้ครบแล้วก็ได้คะแนนอย่างนี้มีเยอะเลยนะเพราะโร ง, งเรียนจานวนมากนี่เขาใช้คะแนนเนี่ยเป็นทั้งตัวล่อแล้วก็แรงกดดันให้ นักเรียนนี่ต้องไปเป็นจิตอาสาตามที่ต่างๆแล้วก็มีหลายคนแล้วก็มาขอเป็นจิตอาสาที่สถาบันภาษาวิทยาเนี่ยผ่านเครือข่ายพุทธิกาแต่พอมาทำครบกำหนดแล้วติดใจนะขอทำต่ออีกนะเพราะว่าเขาเพราะว่ามันเกิดความสุขขึ้นมา แล้วก็เกิดการพัฒนาตนชนิดที่พ่อแม่นี่ก็สังเกตนะพ่อแม่บอกว่านีลลูกๆเนี่ยพอเป็นเป็นจิตอาสาแล้วเปลี่ยนแปลงนะแต่ก่อนพ่อแม่ต้องทำอะไรให้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องตัวเองแต่ว่าตอนหลังนี่เด็กพอเป็นเป็นจิตอาสาแล้วช่วยตัวเองเป็นนะไม่ต้องเดือดร้อนลาบากพ่อแม่แถม ยังไปช่วยงานบ้านด้วยแต่ก่อนนี่ไม่ค่อยสนใจงานบ้านเท่าไหร่ก็กลายเป็นภาระของพ่อแม่หรื อ, อคนอื่นไปแต่พอเป็นจจตนาซาแล้วเนี่ยนอกจากช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยงานบ้านด้วยก็คงเพราะว่าเนี่ยคงได้คิดนะเรานี่ไปช่วยคนอื่นไปช่วยพ่อแม่ของคนอื่นนะที่โรงพยาบาล แม่ขยันขันแข็งนะแต่ว่าพอแม่ของเราเองนี่เราไม่ใส่ใจมันก็กรไเลยอยู่ก็เกิดความกระตือรือรนนะ้นที่จะช่วยเหลืองานบ้านซึ่งก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะสำหรับเด็กสมัยใหม่นะเพราะว่าได้รับการเลี้ยงดูมาแบบประกปงงมไม่น้อยเลยจนถ้าบางทีแม้กระทั่งห้องของตัวเองก็ ไม่สนใจทำความสะอาดกินข้าวก็ไม่ล้างจานอาจจะเป็นพ่อมีคนงานมีคนใช้หรือว่ามีพ่อแม่ทำให้โดยพ่อแม่แต่พอไป็จิตอาสาแล้วโอ้ขนขวายกระตือรือร้นเพราะคงรู้นะว่าเออมันทำนี่มันก็มีประโยชน์การทำพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระถ้าทำด้วยใจมันก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจสิ่งที่คนเราควรจะมีนะคือ การรู้จักคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองถ้าเราคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยมันจะมีความสุขง่ายนะคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยดูเหมือนจะรักสบายแต่ว่าลงท้ายนี่ก็เป็นคนสุ ข, สขยากนะมีความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแค่ตัวมากนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอนึกถึงผู้อื่นรู้สึกช่วยผู้อื่นเนี่ยมันมีความสุขที่ได้ทำํำนะ ก็กลายเป็นความประทับใจอันนี้ก็เลยทําให้เด็กหลายคนนี่พอมาเป็นจิตอาสาภาคบังคับแล้วได้สิ่งแวดล้อมดีส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีคุณป้ามีพี่มีน้าจิตอาสามาพอได้ทํางาน ร, ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็มีความสุขไม่เหงาอันนี้ก็เป็นรสชาติอย่างหนึ่งนะที่หลายคนได้รับทํางานแล้วมีความสุขเพราะว่ามีหมู่คณะมี คนที่รู้ใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเกิดความปิติอิ่มเอิบงนั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่เนี่ยนะรู้จักชวนสับสนให้ลูกๆมาเป็นจิตอาสาบ้างไม่ทางแดกก็ทางหนึ่งนะนั้นก็จะทำให้เด็กเขานอกจากจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วมีนิสัยที่ดีแล้วรู้จักช่วยตัวเองแล้วยังทำให้เขาเนี่ยมีความสุขได้ง่ายขึ้นไม่ต้องสุขจาก ไม่ต้องไปพึ่งพาความสุขจากห้างจากสิ่งเสฟก็ได้หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือเพราะว่าไปช่วยเหลือผื่นก็มีความสุขได้